ลูกหนี้สมประเภทถ้าเอาทัศนคทางพุทธศาสนาเข้าจับแบ่งลูกหนี้ออกเป็นประเภทประเภทแล้วลูกหนี้จะมี3ประเภทคือลูกหนี้ประเภท1มีหนี้แล้วใช้ลูกหนี้ประเภท2มีหนี้แล้วหลบลูกหนี้ประเภท3มีหนี้แล้วปฏิเสธลูกหนี้ประเภทที่1ลูกหนี้ชั้นดีมีหนี้แล้วใช้ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ ถ้าใช้คือไม่ทันเวลาหรือไม่ครบตามจํานวนก็ขอเปลี่ยนแปลงข้อตกลงขอลดหนี้ลงหรือขอเลื่อนกําหนดไปแล้วแต่เรื่องแต่ข้อสําคัญต้องวิ่งเข้าหาเจ้าหนี้ลูกหนี้ที่พยายามขวนขวาใช้หนี้แม้จะยังใช้ไม่ได้ก็จัดว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีแล้วหัวอกเจ้าหนี้นั้นว่ากันว่าเพียงแต่ลูกหนี้มาให้เห็นหน้าเท่านั้นก็สบายใจไปโขทีเดียวยิ่งถ้าได้ยินคําพูดเกี่ยวกับหนี้ห น, หนี้สินสิน หลุดออกมาจากปากลูกนี่จะเป็นว่าผมพยายามเหลือเกินที่จะใช้นี่หรือว่าหมู่นี้ผมแย่ไม่รู้จะทันหรือไม่ทันก็จะสบายใจเท่ากับได้รับใช้นี่คือแล้วเกือบครึ่งหนึ่งยิ่งถ้าลูกหนี่คนใดจัดการชําระนี่ได้เรียบร้อยส่งต้นส่งดอกครบถ้วนไม่ให้เจ้าหนี่ออกปากทวงเลยลูกหนี้คนนั้นก็จะเป็นขวัญใจของเจ้าหนี้เป็นแน่ลูกนี้ประเภทสองเป็นลูกนี่ชั้นเลว มีพฤติการที่ทรมานใจเจ้าหนี้คือพยายามหลบที่เรียกว่าหลบเจ้าหนี้ไม่สูหน้าถ้าเจ้าหนี้ตามทันและทวงถามเข้าก็แซงพูดทะเลถลายปากยอมรับว่าตัวเป็นหนี้แต่พยายามหลบเลี่ยงการชำระอยู่จะเป็นพวกข้างดื้อแพง่งเห็นได้ง่ายในพวกเช่าบ้านขอโทษเถอะท่านผู้อ่านที่อยู่ในกรุงเทพคงจะเคยเห็นคนประเภทนี้มีเดือนที่หนึ่งบอกว่า เมีย จ, จะคลอดลูกเดือนที่สองบอกว่าลูกป่วยเดือนที่สามบอกว่าพ่อเจ็บเดือนที่สี่บอกว่าแม่ตายผลที่สุดห้าเดือนก็แล้วหกเดือนก็แล้วจะว่าไม่มีเงินก็ไม่ใช่อันอื่นซื้อได้โคลมโคมตกเย็นก็เลี้ยงเล่าเลี้ยงยา ก, กันคื้นเพลงตั้งแต่หัวค่ำจนสองยามยังทำได้ทำได้ทุกอย่างเว้นอย่างเดียวการชาระหนี้เท่านั้น ลูกนี่ประเภทนี้เป็นลูกหนี่ชั้นเลวในสายตาของนักธรรมะลูกหนี้ประเภท3เห็นจะต้องจัดเป็นชั้นเลวสหรือจะใช้คําว่าอย่างไรดีโปรดคิดดูด้วยภาษาบาลีเรียกคนชั้นนี้ว่าวัสโลนักเรียนแปลกันติดปากว่าคนถอยซึ่งดูเหมือนจะต่ําช้ายิ่งกว่าปาปะที่เราแปลว่าคนเลวพฤติการของคนประเภทนี้คือนอกจากจะหลบเจ้านี่แล้ว ยังปฏิเสธด้วยว่าตัวไม่ได้เป็นหนี้หมายความว่าตัวเป็นหนี้แล้วไม่รับว่าตัวเป็นหนี้ลูกหนี้ประเภทนี้เป็นลูกหนี้ที่ต่ําช้าเลวสามที่สุดขอโทษด้วยถ้าหากคำพูดของข้าพเจ้าจะแรงไปบ้างเพราะต้องการจะให้น้ำหนักคําใกล้เคียงกับทัศนฐานพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่าโยหเวอิณมาห้ายะผู้ใดกู้หนี้เขาแล้ว พุชมาโนปลายติย่อมหลบเจ้านี่ไปนหิเตอิณนนัตถิติทั้งปฏิเสธว่าตนไม่เป็นนี่ตังชัญญาวะสโลอิติรู้เสียเธอว่ามันเป็นคนถอยพระพุทธวจนะนี้ความชัดพอตัวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายอีกเว้นแต่คำว่าคนถอยเท่านั้นที่ฟังยากอยู่บ้าง คำว่าวสโลที่แปลว่าคนถอยนี้ท่านหมายถึงคนชั้นเลวน้ำหนักของคำเข้าใจว่าจะเลวกว่าปาปชนคงจะเท่าๆกับคำว่าหีนชนคือมันเลวบอกไม่ถูกเลวชนิดคบกันไม่ได้เลยความหมายแล้วแต่ท่านผู้อ่านจะคิดเอาเองก็แล้วกันในปัญหาเรื่องนี้ข้าพเจ้าใคร่ขอสรุปว่าการมีหนีพระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสว่าเป็นบาปเป็นกรรม แต่ทรงตรัสว่าการมีหนี้เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งในโลกที่ทุกก็ทุกเพราะใช้หนี้เขาถ้าไม่ใช้ตัวก็จะกลายเป็นคนชั่วคนเลวเสียผู้เสียคนต่อไปจำไว้ว่าหนี้นั้นมันสุขเมื่อแรกมาแต่มันทุกข์เมื่อจะจากไม่มีหนี้ประเภทใดที่จะไม่มีความทุกข์แอบแฝงอยู่ด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ทุกที่เป็นห่วงต้องใช้หนี้เขา พระพุทธองค์จึงตรัสสอนให้ระวังหลักที่สี่งานได้เกริ่นไว้ตอนต้นของภาคเรือนชั้นนอกแล้วว่าในบรรดาหลักแห่งความสุขทั้งสี่หลักมีหลักเอกอยู่หลักหนึ่งคือหลักที่สี่หลักนี้มีความสำคัญขณะพระพุทธองค์ตรัสสมทับว่าเอาสองหลักแรกรวมกันแล้วยังไม่เท่าหลักที่4นี้หลักเดียวเสียด้วยซ้า บ้านรั่วมีอยู่สองลักษณะคือรั่วกระเบื้องมุงหรือรั่วกระเบื้องหลบถึงรั่วกระเบื้องมุงไม่สู้กระไรนักมันรั่วแถบนี้ก็แก้มุงหนีไปกลางนอนแถบอื่นได้แต่ถ้ามันรั่วกระเบื้องหลบจนปัญญามันเปียกทั่วพื้นถ้าจะเปรียบหลักที่สี่เหมือนกระเบื้องมุงบ้านสามหลักแรกนั้นเป็นพวกกระเบื้องมุงส่วนหลักที่สนี้เป็นกระเบื้องหลบดีร้ายเรามาศึกษาดูหลักนี้คือ การทำงานไม่มีโทษเพื่อให้ได้ทางปฏิบัติพอเพียงข้าพเจ้าคิดว่าเราสนทนากันถึงปัญหาการทำงานเลยทีเดียวจะดีกว่าแล้วค่อยหวนเข้าหาหลักทีหลังงานในที่นี้หมายถึงงานทุกอย่างที่คนเราทำนี่พูดอุรมรวมไปก่อนค่อยเลือกทีหลังถ้าเราจะนับดูว่าคนทั้งเมืองนี้เขาทำงานอะไรบ้างก็เห็นจะไม่ไหวแต่ว่าในทางศึกษาเราอาจจัด ประเภทงานได้สองประเภทคืองานอาชีพกับงานอดิเรกทั้งนี้ต้องพิจารณาเป็นรายบุคคลไปว่าใครทําอะไรเป็นงานอาชีพทําอะไรเป็นงานอดิเรกอย่างเช่นข้าพเจ้าทํางานข้าราชการเป็นอาชีพเวลาเช้าเช้าเย็นเย็นก็แต่งหนังสือเป็นงานอดิเรกหรือท่านผู้อ่านเองอ่านค้าขายเป็นงานอาชีพแล้วก็เล่นกล้วยไม้เป็นงานอดิเรกบางคนทํางานในห้างร้านเป็นงานอาชีพ แล้วก็เป็นนายหน้าซื้อขายเป็นงานอดิเรกงานอาชีพนั้นโดยทั่วไปแล้วเราหมายถึงงานที่ทำไรายได้หลักให้แก่ตัวเองเราฝากชีวิตไว้กับงานนั้นแล้วก็สามารถจะบอกใครโดยเปิดเผยว่าเรามีอาชีพอย่างนั้นเช่นรับจ้างทำราชการช่างก่อสร้างทำนาขับรถยนต์และอื่นๆ อ, อีกเป็นที่รู้กันว่าคนทุกคนต้องฝากชีวิตของตนไว้กับงานอย่างหนึ่งเสมอ แล้วก็เรียกงานนั้นว่างานอาชีพแต่ว่าเรื่องนี้เคยมีปัญหาตลกตลกมานานแล้วว่าสมัยข้าพเจ้าเองยังครองเพศบรรพชิตไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เจ้าหน้าที่เขาเขียนบัตรคนไข้ให้ซึ่งมีช่องชื่อนามสกุลอายุและอาชีพเฉพาะในช่องอาชีพข้าพเจ้าหลงว่าอาชีพบินบาตข้าพเจ้านึกขับในใจ จะว่าเขาผิดก็ไม่ถนัดจะว่าพระไม่มีอาชีพก็ไม่ได้อาชีพเป็นข้อหนึ่งในมรรคซึ่งเป็นปฏิปทาที่จะนำผู้ปฏิบัติให้บรรลุนิพพานคือข้อว่าสามัมมาอาชีวะแปลว่ามีอาชีพชอบพระก็ต้องปฏิบัติมรรค8ฉะนั้นพระจึงเป็นคนมีอาชีพด้วยที่เห็นง่ายๆคือเป็นพระก็ต้องฝากอาชีพไว้กับการบิณฑบาต แต่จะถือว่าการบินธบัตรนั้นเป็นงานอาชีพของข้าพเจ้าหรือก็ดูชอบกลนแล้วต่อมาได้เห็นบัตรของเด็กนักเรียนในช่องอาชีพเขาลงว่าอาชีพนักเรียนก็แปลกอีกเหมือนกันความจริงการเป็นนักเรียนไม่ใช่อาชีพนั่นเป็นหน้าที่แต่ที่กรอกคําว่านักเรียนลงไปในช่องอาชีพเห็นจะต้องการบอกแต่เพียงว่าคนคนนี้ยังเป็นนักเรียนไม่ได้ทํางานอาชีพอะไรคงจะบอกเท่านี้แต่ไม่ได้วงเล็บเสียเท่านั้น ถึงอย่างไรก็ยังเข้าทีกว่าอาชีพของข้าพเจ้าซึ่งมีอาชีพทางบิธบาตแต่เรื่องหมอกับพระแล้วมีอะไรขำๆอยู่เสมอเอาเป็นอารมณ์นักไม่ได้ท่านเจ้าคุณอาจารย์ของข้าพเจ้าท่านเป็นพระราชาคณะมีราชทินนามว่าพระเนคขมมุนีไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลพูดกับนางพยาบาลเจ้าหน้าที่ที่ทะเบียนคนไข้ตั้งนานกว่าจะบอกชื่อตัวได้ ท่านชื่ออะไรนางพยาบาลถามพระเนคขมมุนีท่านเจ้าคุณบอกไม่ใช่ชื่ออะไรนางพยาบาลถามซ้ําท่านชื่อพระเนคขมมุนีท่านบอกอีกแหมพูดกันไม่รู้เรื่องชื่อทําไมยาวนักละ่ะถามชื่อแล้วเกิดบอกนามสกุลด้วยบ่นพึมพําในทํานองว่าพูดกับหลวงตาไม่รู้ภาษาแล้วก็เขียนบัตรคนไข้เวลารับบัตรมาอ่านดูก็ปรากฏว่า นางพยาบาลเขียนชื่อท่านว่าพระภิกษุเนกขมมะมุนีคงจะนึกว่าชื่อหลวงตาเนกนามสกุลขมมะมุนีอย่างนั้นกระมังนี่มันเรื่องเก่าเมื่อ20ปีมาแล้วพอพูดถึงงานอาชีพของคนเลยนึกขึ้นได้เอามาเล่าสู่กันฟังขำๆเดี๋ยวนี้หมอกับพระเข้าใจกันดีแล้วหาเรื่องขำๆอย่างนั้นอีกไม่ได้แล้วจะมีก็แต่เรื่องบน่นซึ่งเป็นธรรมดาความจริงถ้าจะว่าตามหลักการแล้ว งานหลักของคนจริงๆคืองานอาชีพส่วนงานอดิเรกนั้นเป็นเพียงงานเบตดเล็ดทำกันเล่นเลนอกเวลาเลิกก็ได้ทําก็ได้ไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อกิจการบ้านเมืองอะไรนี่ว่าโดยหลักการแต่ถ้าจะดูข้อเท็จจริงกันในสมัยนี้ดูยากเหมือนกันข้าพเจ้าต้องขอโทษที่ต้องพูดถึงคนใหญ่คนโตซึ่งดูจะเป็นการอ่านเอื้อมถมน้าลายรถฟ้าไปหน่อย คนใหญ่คนโตที่มีอํานาจหน้าที่ทางการเมืองสูงในบางยุคและบางคนเวลาท่านเล่นงานอดิเรกท่านเล่นแผนสูงและเล่นงานขนาดใหญ่ๆตัวทำอาชีพทางราชการบริหารบ้านเมืองแล้วก็ตั้งบริษัทการค้าเล่นเป็นงานอดิเรกอย่างเวลานี้ก็มีบริษัทอดิเรกอยู่แยะเป็นบริษัทการค้าก็มีบริษัทเหมาก่อสร้างก็มีและบริษัทผูกขาดสินค้าก็มี บริษัทสั่งของจากต่างประเทศก็มีบริษัทที่ว่านี้เป็นงานอดิเรกของผู้มีอำนาจท่านทำเล่นนอกเวลาลงทุนเพียง10ล้าน20ล้านโดยหลักการแล้วงานอดิเรกย่อมไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อบ้านเมืองแต่ถ้าดูพฤติการที่แท้จริงแล้วความปั่นป่วนทางเศรษฐกิจของประเทศไทยเกือบ 80% เซมาจากบริษัทอดิเรกเหล่านี้เองจะเห็นได้ชัดในพวกบริษัทรับเหมาก่อสร้างอดิเรก จอกอเมื่อมารับเหมางานในหน่วยราชการฝีมือก็แพ้ราคาก็แพงอาคารก็จะพังกรรมาการก็พูดไม่ออกนี่งานอันเดเรกขนาดใหญ่ข้าพเจ้าอยากจะรวมความว่าทั้งนี้หมายถึงเฉพาะในบางยุคและบางคนเท่านั้นไม่ใช่ทั่วไปงานอันเดเรกนั้นโดยปกติแล้วไม่กระทบกระเทือนกับงานอาชีพของผู้ทาแต่งานอเดเรกจะกลายเป็นภัยแก่คนอื่นได้อย่างเช่น บริษัทอดิเรกทั้งหลายซึ่งเป็นภัยแกเ่เศรษฐกิจของชาติในบางยุคพอกันทีเรื่องงานอาชีพกับงานอดิเรกอะไรเป็นอะไรพอเข้าใจกันแล้วเราหันมาหาพระพุทธประสงค์ในการวางหลักดำเนินการของเราดีกว่างานทั้งหลายทั้งปวงที่มนุษย์ทำอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นงานอาชีพหรืองานอดิเรกก็ตามและไม่ว่าจะเป็นงานที่ทาโดยวิธีใดก็ตามเมื่อจัดเป็นชนิดแล้วมี2 อ, อย่าง คืองานมีโทษกับงานไม่มีโทษซึ่งเราจะได้ศึกษากันต่อไปงานมีโทษงานมีโทษคืองานที่มีความผิดอยู่ในตัวใครไปทำเข้าคนนั้นก็มีความผิดติดตัวเหมือนกับอาหารมีพิษนั่นแหละมันมีพิษอยู่ในตัวแล้วใครไปกินมันเข้าพิษของมันก็ซาบซ่านเข้าไปในตัวคนนั้นที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่า ไม่ให้ทำงานที่มีโทษก็เหมือนกับทรงหา้าไม่ให้เรารับประทานอาหารมีพิษนั่นเองปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่า ง, งานนั้นมีโทษหรือไม่จะเอาอะไรเป็นเครื่องตัดสินวิธีดูโทษของงานที่คนทั่วไปนิยมใช้คือคอยดูว่าเมื่อทำแล้วจะมีความผิดอะไรเกิดขึ้นบ้างหมายความว่าทำไปก่อนแล้วค่อยดูผลกันทีหลังวิธีนี้สาหรับคนที่ไม่ใช้ปัญญาใช้เพียงความนึกคิด เป็นการเสี่ยงภัยถึงสองชั้นคืออาจต้องรับผลร้ายที่เกิดจากการงานนั้นซึ่งถ้าบังเอิญไปทำงานที่มีโทษเข้าอาจสายเกินไปที่จะแก้ไขได้เหมือนกินอาหารไม่เลือกกินดูเสียก่อนมีพิษก็รู้มันก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าถูกอาหารมีพิษร้ายเข้าก็อาจสายเกินไปที่จะแก้การทำอะไรโดยไม่วินิจฉัยให้แน่เสียก่อนเป็นการเสี่ยงภัยที่น่ากลัวนี่หนึ่ง ประการที่สองการสั่งงานของจิตมีอยู่สองลักษณะสั่งงานด้วยลำพังความคิดกับสั่งงานด้วยปัญญาถ้าสั่งงานโดยใช้ปัญญาในวงเล็บพิจารณาด้วยเหตุผลเป็นหลักแล้วผิดถูกรู้ตามเป็นจริงกิเลสแทรกไม่ได้แต่ถ้าใช้เพียงความนึกคิดอย่างเดียวคิดเอาเองว่ามันดีคิดเอาเองว่ามันเหมาะคิดเอาเองว่ามันวิเศษคิดเอาก็คือเดาเอานั่นเองกิเลสแทรกได้ง่าย ทำให้ความคิดเขวเห็นผิดเป็นชอบได้ง่ายคนที่ทำงานโดยไม่วินิจฉัยงานล่วงหน้าทําไปก่อนแล้วค่อยดูผลงานทีหลังผิดถูกค่อยรู้กันก็เป็นคนทำงานด้วยลาพังความคิดเท่านั้นไม่ได้ใช้ปัญญาคิดอยากทําก็ทําเป็นการเปิดช่องโหว่ให้กิเลสแทรกได้ง่ายฉะนั้นหลักการทางานทางศาสนาจึงสอนไว้ว่านิสซัมมะกรนองเซโยใคร่ครวรดูก่อนแล้วค่อยทา นี่เป็นสูตรขั้นต้นของการทำงานคือต้องใคร่ครวญดูก่อนผิดถูกชั่วดีต้องรู้ก่อนทำไม่ใช่ทำแล้วจึงรู้นักทำงานทุกวันนี้ใช้อุดมคติว่าอย่าดื่มก่อนเห็นอย่าเซ็นก่อนอ่านก็หมายความตรงกับพระบาลีข้อนี้ซึ่งเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดในการทำงานแต่วิธีนี้คนที่อยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวอาจไม่ค่อยชอบนะัดเพราะมันไม่ทันใจ เวลาเสนองานอะไรให้ผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่บอกว่าขอคิดดูก่อนเด็กก็มักจะนึกว่าผู้ใหญ่ทำอะไรช้าอืดอาดไม่เด็ดขาดบางทีก็ว่าเอาเสียผู้ใหญ่ว่าขี้ขาดตาขาวความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องคลาดแต่เป็นเรื่องการใช้ปัญญาต้องการรู้ผลก่อนทำไม่ใช่ทำก่อนรู้ไม่เหมือนเด็กๆนี่นึกอยากจะรักกันก็รักเอารักเอาพอนึกจะอย่า ก, ก็อย่าเอาอย่าเอา หนักเข้าก็กินยาตายกันเท่านั้นวิธีรู้ก่อนทำแล้วเราจะทำอย่างไรจึงจะรู้ก่อนทำทำได้ก่อนอื่นขอให้คิดว่าโลกนี้เขาสร้างมานานแล้วคนที่เกิดก่อนเราเยอะแยะเราไม่ใช่คนฉลาดที่สุดไม่ใช่คนเก่งที่สุดคนที่เขาฉลาดกว่าเรามีที่เก่งกว่าเรามีต้องคิดอย่างนี้เสียก่อน การที่เราจะวินิจฉัยงานว่างานใดมีโทษงานใดไม่มีโทษวิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาเกณฑ์ของท่านนักปราศอาจารย์รุ่นก่อนเรามาตัดสินเอามาเทียบดูเอามาพิสูจน์ดูเราก็จะได้รู้สิ่งที่เราจะต้องเอามาพิสูจน์งานนั้นสี่ท่านเหมือนตะแกรงสี่ชั้นสขนาดอย่าไปหาละเอียดเอามาร่อนดูว่างานใดมีโทษหรือไม่มีดังนี้ บนสุดตัวบทกฎหมายรองลงมาจารีตประเพณีรองลงมาศีล ร, ร, รองลงม า, รงงมาธรรมตัวบทกฎหมายเป็นหลักวินิจฉัยงานขั้นต้นที่สุดคือเราจะทำอะไรลงไปตั้งปัญหาถามดู ก, ก่อนว่าการที่เราจะทำผิดกฎหมายหรือไม่ถ้าการใดผิดกฎหมายการนั้นก็มีโทษเช่นการช่อกง การค้าฝิ่นเถื่อนการค้าธนาบัตรปลอมการหลอกลวงเหล่านี้เป็นต้นการทํำจาพวกนี้ไม่รอดตะแกรงชั้นต้นไปได้คือไม่รอดตัวบทกฎหมายขืนทําผิดก็มีผิดเรียกว่างานมีโทษกฎหมายนี้เป็นตะแกรงขั้นต้นจารีตประเพณีหมายถึงคำนอบธรรมเนียมวัฒนธรรมจัญญากิริยามารยาทและประเพณี การกระทาอันใดที่เอาตัวบทกฎหมายพิสูจน์แล้วเห็นว่าไม่ผิดกฎหมายเรียกว่าลอดตะแกรงขั้นต้นมาได้แล้วต้องเอาจารีตประเพณีอันดีพิสูจน์ดูอีกว่าเมื่อไม่ผิดกฎหมายแล้วผิดจารีตประเพณีอันดีหรือไม่เพราะการกระทาบางอย่างไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดวัฒนธรรมจริยาก็มีตัวบทกฎหมายกับจารีตประเพณีสองอย่างนี้เป็นคดีโลก ถ้าเป็นตะแกรงก็เป็นตะแกรงทางคดีโลกงานใดที่ไม่ผิดสองอย่างนี้เป็นงานไม่มีโทษทางคดีโลกแต่ชีวิตของเราในโลกสมัยอาระยะนี้เราอยู่ในสองคดีคือคดีโลกและคดีธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราก็สั่งสอนไว้ว่าคนดีแท้จะต้องโลกก็ไม่ให้ช้ำธรรมก็ไม่ให้เสียได้ทั้งโลกทั้งธรรมจึงจะดีแท้เพราะฉะนั้นการกรองงานจะต้องใช้ตะแกรง ทางธรรมกรองอีกสองชั้นคือศีลกับธรรมศีลเป็นหลักความประพฤติชั้นต้นของศาสนาข้าพเจ้าขอไม่อธิบายออกไปว่าศีลมีอะไรบ้างถือว่ารู้กันแล้วและข้าพเจ้าอธิบายไว้ละเอียดละออแล้วทั้งทางหนังสือทางปาถักถาบรรยายและในรายการวิทยุด้วยในที่นี้ขอพูดรวบยอดว่าการกระทําใดที่แม้จะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดจารีตประเพณี แต่ผิดศีลในทางศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะเราถือศีลห้าเป็นเกณฑ์การกระทำนั้นถือว่าผิดเป็นการผิดขั้นต้นทางคดีธรรมธรรมคือระบบความประพฤติที่ทางศาสนาวางไว้ละเอียดกว่าศีลเช่นความขยันหมั่นเพียรความกตัญญูกตตะเวทีความสุภาพอ่อนโยนความเมตตากรุณาเหล่านี้เป็นต้น การกระทาใดที่ตรวจสอบด้วยปัญญาแล้วว่าไม่ผิดธรรมการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ไม่มีโทษบริสุทธิ์แท้ถ้าสรุปแล้วก็คงจะลงตัวอย่างนี้คือการกระทาใดไม่ผิดตัวบทกฎหมายของบ้านเมืองไม่ผิดจารีตประเพณีอันดีงามไม่ผิดศีลของศาสนาไม่ผิดธรรมการกระทานั้นเรียกว่าการงานไม่มีโทษเสียงติ การที่จะวินิจฉัยการกระทําใดผิดศีลธรรมหรือไม่นอกจากจะเอาความรู้ทางตําราออกสอบดูแล้วพระพุทธองค์ทรงสอนให้ฟังเสียงติด้วยวิธีฟังเสียงตินั้นไม่ใช่ทําไปแล้วจึงค่อยฟังว่าจะมีใครติหรือไม่และติว่าอย่างไรไม่ใช่อย่างนั้นเพราะการทําเช่นนั้นก็จะเข้าตําราทําก่อนรู้ซึ่งได้พูดกันมาแล้วแต่ท่านให้ใช้วิธีตั้งคําถามเอากับตัวเองว่า การกระทำเช่นนี้ตัวเราเองติตัวเองได้หรือไม่และวินยูชนจะติได้หรือไม่หมายความว่าทรงสอนให้เราติตัวเองถ้าคิดแล้วตัวเองไม่สามารถติตัวเองได้คือเห็นว่าการกระทำนั้นถูกต้องดีแล้วทุกอย่างทุกประการก็ให้ตั้งคำถามเพิ่มขึ้นอีกว่าถ้าหากวินยูชนรู้เรื่องเข้าแล้วท่านจะติได้หรือไม่ ซักถามตัวเองก่อนจึงลงมือทำข้อที่น่าสังเกตในปัญหาตินี้คือเราจะต้องคอยฟังเสียงติของคนสองคนคนแรกคือตัวเองและคนที่สองคือวินยูชนการที่ตั้งด่านติไว้ถึงสองด่านนั้นเพราะว่าคนเรามีนิสัยเห็นแก่ตัวเป็นพื้นอยู่แล้วทำอะไรก็ชอบเข้าข้างตัวความเห็นแก่ตัวนั้นเป็นช่องโหว่ให้กิเลสเข้าแทรกใจได้เมื่อใจถูกกิเลสยึดครองแล้ว ความคิดความเห็นต่างๆก็จะโน้มเอียงเข้าข้างกิเลสไปด้วยแล้วจะตำหนิตัวเองได้อย่างไรตามปกติแล้วตำรวจกับผู้ร้ายจะต้องเป็นคนละพวกจะต้องมีความคิดความเห็นกันคนละทางตารวจจึงจะปราบผู้ร้ายได้แต่ถ้าผู้ร้ายแทรกซึมเข้ามาเป็นตำรวจเสียเองแล้วตำรวจจะจับผู้ร้ายได้อย่างไรจิตใจของคนก็เหมือนกันถ้าความโลภครอบงำใจแล้วก็จะเห็นว่าการลัก ปล้นช่อโกงดีวันอย่างคำํำถ้าโทสะครอบงาแล้วที่จะติความอันพานของตัวเองก็อย่าฝันการพูดการทำทั้งปวงนั้นกิเลสเป็นผู้สั่งให้ทำแล้วกิเลสทำตัวเป็นนายตรวจเสียเองตรวจเท่าไหร่ก็อ้อทุกทียิ่งถ้าโมหะปิดบังดวงปัญญาแล้วเสร็จเลยนอกจากจะหาที่ติตัวเองไม่ได้แล้วยังมี แต่จะหลงชมบุญบา ร, รมีของตัวเองเสียด้วยซ้ำขี้กลากขึ้นเต็มหัวก็หลงคิดว่ามันจะเป็นดอกบุญสายตาตัวเองพระเพรา ะ, ระกิเลสตัณหามันเผาใจกลับจะเห็นว่าตัวเองมีแสงวิเศษเห็นคนทั้งหลายเขาหลบหน้าไม่กล้าสู้เพราะเหม็นเบื่อก็หลงไปว่าเขากลัวอำนาจวาสนาเห็นคนทั้งหลายเขาก้มหัวเวลาเข้าใกล้เพราะเกลียดขี้หน้าไม่อยากเห็น ก็หลงคิดว่าเขาเหมาบราบคาบแก้วเพราะเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ตั้งด่านติไวถึงสองด่านแม้ว่าตัวเราเองติตัวเราไม่ได้แล้วก็อย่าวางใจทีเดียวว่างานนั้นจะไม่มีที่ติหรือบางงานไม่มีโทษจะต้องให้ผ่านด่านทะลุท้ายเสียก่อนจึงฟังเสียงติของคนอื่นอีกทีหนึง่งทีนี้เสียงติของคนอื่นนั้นท่านมีหลักว่า ให้ฟังเสียงติของวินยูชนคือคนที่รู้เรื่องและรู้ผิดรู้ชอบตรงกับที่เราพูดว่าท่านผู้รู้หรือบัณฑิตต้องตั้งหลักอย่างนี้ไม่ใช่พอได้ยินใครติหน่อยก็วิ่งพลานไม่เป็นท่าเข้าวัดได้ยินพระว่าดื่มเหล้าไม่ดีเลิกดื่มกลับบ้านได้ยินเพื่อนฝูงบอกว่าคนไม่ดื่มเหล้าไม่ใช่ลูกผู้ชายเอา้าดื่มอย่างนี้ ใช้ไม่ได้กลายเป็นคนไม่มีหลักและถ้าถืออุดมการว่าใครติเราต้องแก้ทุกทีแล้วเป็นบ้าตายเสียเปล่าเสียงคนติมันมีอยู่สองเสียงคนพานเขาก็ติไปตามเรื่องของพานเพราะคนพานนั้นถูกกิเลสโลภโกรธหลงยึดครองแล้วไม่มีอะไรเป็นตัวของตัวนอกจากลมหายใจเท่านั้นท่านผู้อ่านโปรดนึกวาดภาพดูสิว่าถ้าหากประเทศไทยของเรา ถูกฝ่ายคอมมิวนิสต์ยึดครองได้แล้วนายกก็คอมมิวนิสต์รัฐมนตรีทุกกระทรวงก็คอมมิวนิสต์ประธานสภาก็คอมมิวนิสต์อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็คอมมิวนิสต์อธิบดีตำรวจก็คอมมิวนิสต์ผู้บัญชาการทหารบกเรืออากาศก็เป็นคอมมิวนิสต์หมดแล้วเสียงที่ดังออกจากวิทยุแห่งประเทศไทยจะตำหนิคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตย ใครๆก็ตอบได้และเหมือนกันนี่แหละคนที่ถูกกิเลสยึดครองแล้วจนมีนิสัยสันดานเป็นผ่านแล้วใจก็ตกอยู่ในอำนาจกิเลสสายตาก็แฝงด้วยอิทธิพลกิเลสลมปากก็ระคนด้วยฤทธิกิเลสมันหมดเนื้อหมดตัวถึงอย่างนี้แล้วแล้วจะไม่ให้เขาชมการกระทำอันชั่วร้ายได้อย่างไรแน่ที่สุดยิ่งทารุณโหดร้ายคนผ่านยิ่งชมยิ่งช่อกงคนผ่านยิ่งชอบ ยิ่งโกหกตอแหลทุกมุมเมืองคนผ่านยิ่งสรรเสริญและในทางตรงกันข้ามใครทําความดีก็เท่ากับเอาหนามแหลมแทงตาของเขาคนผานย่อมจะต้องค่อนคอดนินทาตามนิสัยผานเห็นคนซื่อตรงคนผานก็โหว่าเป็นคนเซอร์เห็นคนถือศีลทำเคร่งคนผ่านก็ตําหนิว่าเป็นคนครืเพราะฉะนั้นในการฟังเสียงติ พระพุทธองค์จึงตรัสกำชับว่าให้ฟังเสียงติของวิญญยชนเท่านั้นตกลงว่าในหลักแห่งความสมบูรณ์หลักที่สี่พระพุทธองค์ทรงสอนให้เว้นจากการทำงานที่ไม่มีโทษเสียหรือในหนึ่งคือให้เลือกทาแต่ ง, งานที่ไม่มีโทษที่พูดมายืดยาวแล้วนั้นเป็นหลักการวินิจฉัยว่าอย่างไหนมีโทษและอย่างไหนไม่มีโทษ ซึ่งพอจะสรุปวิธีการทั้งปวงที่กล่าวแล้วลงอีกครั้งว่าการวินิจฉัยเราต้องยกคดีโลกคดีธรรมเป็นเกณฑ์จะใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้โลกก็อย่าให้ช้ำธรรมก็อย่าให้เสียและในการวินิจฉัยการกระทําใดๆว่าผิดศีลธรรมหรือไม่นอกจากจะใช้ความรู้สึกนึกคิดของตนเองแล้วจะต้องฟังเสียงติของวิญญาชนทั้งหลายด้วยถ้าผ่านด่านติสุดท้ายคือวินยูชนแล้วงานนั้นเป็นงานบริสุทธิ์แท้ ลองทบทวนดูอีกครั้งเอางานที่ท่านคิดจะทำสอบดูในด่านสนี้ 1. กฎหมาย 2. จารีดสศีล 4. ี่ทำกฎหมายจารีดคดีโลกศีลทำคดีธรรมถ้าผ่านได้ตลอดทั้ง4ด่านแม้ว่าท่านทำงานนั้นแล้วคดีโลกก็ไม่ช้ำคดีธรรมก็ไม่เสีย เพิ่งทราบแต่ว่างานนั้นเป็นงานที่ไม่มีโทษแน่สรุปเรื่องความสุขได้พูดไปแล้วว่าความต้องการของผู้ครองเรือนลาดับแรกที่สุดคือความสุขข้อนี้คือความจริงแม้พระพุทธศาสนาก็รับรองอย่างนี้แต่ในบรรดาคนที่ต้องการความสุขนั้นมีไม่น้อยที่ฝากความหวังไว้กับเหตุภายนอกฝากโชคลาบไว้กับดาวเรือนฝากความราบรื่นในครัวเรือนไว้กับเรือยาม ฝากความสันติสุขไว้กับผีสางเทวดาแต่ข้อความทุกตอนที่ข้าพเจ้าบรรยายมาแล้วซึ่งพยายามขยายความแห่งพุทธวจนะออกมาสู่คลองแห่งการปฏิบัติท่านผู้อ่านพอจะเห็นได้แล้วว่าการที่ผู้ครองเรือนหวังความสุขแล้วฝากความหวังไว้กับเหตุภายนอกและอำนาจลึกลับทั้งหลายนั้นเป็นความหวังที่ติดข้างจะเลื่อนลอยการสร้างความสุขในครอบครัวนั้น พิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่จะโดนบันดาลให้เกิดขึ้นได้จริงจังไม่ใช่ดาวเดือนไม่ใช่ผีสางเทวดาแต่เป็นคนสำคัญของครอบครัวสองคนคือพ่อบ้านกับแม่บ้านหรือในหนึ่งก็คือผัวกับเมียนี่เองทั้งสองคนจะต้องมีความเข้าใจในหลักปฏิบัติพอสมควรและปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจนี่คือแผนที่สร้างความสุขในครอบครัวแบบพุทธวิธี ซึ่งท่านได้อ่านมาแล้วอย่างยืดยาวโปรดทบทวนความจำนิดหนึ่งก่อนที่จะผ่านไป 1. เรื่องการหาเงิน 2. เรื่องการจ่ายเงิน 3. เรื่องหนี้สิน 4. เรื่องกิจการที่ทำ